อ, นนอันนี้คือคือข้อที่1 ห, หลักปฏิบัติอันข้อที่1 ห, หลักปฏิบัติข้อที่2อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิไนนี้เข้าไปอา ศ, รรศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบุคคลนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่ถึงความสิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูง นะก็ไม่บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินธบาศเสนาสนะขีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจําต้องนํามาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากอันนี้ง่ายนะหมายความว่าไปอยู่ท่านดีทุกอย่างท่านช่วยปัจจัยสี่ไม่เดือดร้อนเลยแต่ท่านใช้งานเราหนักเหลือเกินอย่างนั้นะนะนะไม่มีเวลาบ า, บางแห่งนี่เป็นอย่างนั้นนะพระบางรูปไปอยู่เนะี่ยบอกเป็นยังไงอาหารนั่นเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเลย ที่อยู่เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเลยเขาดูแลผมดีทุกอย่างแต่ว่าผมไม่มีเวลาว่างเลยเพราะนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวไม่มีเวลาในการเจริญสมถะวิปัสนาอะไรเลยนะแล้วคื อ, ค, อคือมันออกงานมากซะจนเบลอเลยเพราะนั้นภิกษ <c oughs> ุนั้นก็ต้องมาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยบุคคล น, นี้อยู่เมื่อเรานั้นเข้ามาอาศัยบุคคล น, นี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่น ก็ไม่ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดปโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรนบินทบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสั์บริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภค ปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากแต่ว่าเรานี้ไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตเพราะเหตุจีวณบินทบาทเสนาสนะและขีลานัปัจจัยเภสัชบริการไม่ได้บวชมาสแสวงหาลาบสการะนะครั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราเข้ามาอาศัยบุคคล น, นี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสะวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วก็ไม่ต้องบอกบุคคล น, นั้นควรหลีกไปเสียไม่ควรพัวพันกับบุคคล น, นั้นคืออย่าลืมว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการประโยชน์สูงสุดเปรียบเหมือนอย่างงี้ง่ายๆว่าเอาถ้าเราจะไปไหว้พระเจดีสมมติว่าเราจะไปไหว้ที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นี่ไปถึงเนี่ยไปแวะร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ยนะโอยเขาเลี้ยงเราอย่างดีก็เลยสมัครเป็นคนงานอยู่ในนั้นเลยไม่ต้องไปไหว้แล้วต้นโพเนี่ยถามว่าเอาไหมนะไปถึงสมมุติว่าแหมไปถึงเอ่อ ไ, ไปถึงร้านใดร้านหนึ่ ง, รงหรือไปถึงแหมไปถึงโรงแรมที่หนึ่งยนะจะไปไหว้ต้นโพโครงการจริงๆอ่ะไปไหว้ต้นโพแหละว่างั้นนอะมันยังเดินทางอีกไกลเลิศเกินไปถึงแหมบริกา ร, รมนี้บริการดีรเลิศเกินไบยก็อาหารก็อร่อยบ่ก็เสิร์ฟดีที่พักก็สบายไม่ไปแล้วไหว้ต้นโพอยู่นี่แหละถามว่าใช้ได้ไหม บอกอไม่ได้มาไม่ได้มาเพื่อจะมาอยู่แค่พักโรงแรมจะไปไหว้ต้นโพจะไปเอาประโยชน์ข้างหน้าต่อไปนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าใจในลักษณะนั้นไม่ใช่มาติดหนับอยู่ตรงนั้นก็เลยไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยนะประโยชน์เฝ้านะก็เลยอยู่ตรงนั้นเลยอดอดเจริญกุศลอดอะไรเลยเนี่ยนะมันเราก็ต้องบางทีก็บางทีเป็นอย่างนี้แหละบางทีจะไปจะไปเจริญส ม, มถาวิปัสสนาไปเจอบางแห่งอาหารอร่อยเลยไม่ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้แหละตลอดไปนะก็เลยกลายเป็นว่าต้องการประโยชน์อะไรนาะ ประโยชน์ที่เราได้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็อบอกว่าบุคคลที่เราไปอยู่แล้วกุศลไม่เจริญแล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์โลกหน้าไม่ได้เกื้อกูลต่อประโยชน์อย่างยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อบรรลุมรคผลนิพพา น, นอะไรเลยแต่ไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัยถามว่าถ้าฉันมากๆเยอะๆมันจะเป็นยังไงอที่มีที่พักดีๆเลยเนี่ยนะจะอยู่ทำยังไงอกุศลวิตกก็กลุมรุม ถ้ากุศลว่ตกเล่นงานกลุ่มรวมแล้วจะไปไหนอนาคตจะสดใสในพระศาสนาไหมมันก็ไม่มีวี่แววอยู่แล้วละเพราะฉะนั้นต้องทบทวนให้ดีๆเลยว่าทิศ ท, ทางที่ตัวเองวางเอาไว้ต้องการจะไปไหนเพื่ออะไรและอย่างไรเรียกว่ากำหนดทิศ ท, ทางให้มันชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติไปจะได้ไม่พลาดไหมงั้นเดี๋ยวไปตอนเสียใจในตอนสุดท้ายบอกไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะไม่ได้อะไรเลย ก็พระไม่ใช่น้อยเลยเนะพอพอลักษณะนี้เห็นแก่ปัจจัยสีก็อยู่อยู่จนบั้นปลายของชีวิตท่านรู้ว่าท่านเสียใจว่ากท่านไม่ได้อะไรเลยจากการบวชเป็นบัณฑิตเนี่ยนะท่านไม่ได้อะไรเลยนอกจากว่าปัจจัยสี่ซึ่งมันก็ฉันไปแล้ว่ไม่ทาอะไรได้กุฏิมันก็ที่นอนมากแค่นั้นแหละใจใหญ่โตขนาดไหนมันก็นอนเตียงเท่าโลงอะ่ะแล้วมันจะไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกเนี่ยนะที่นอนมันก็เท่านั้นแหละมันอะไรอะไ ร, ะไรหลายๆเรื่องมันต้องการอะไรบุษราใหญ่ใหญ่เช็ดไหวไม่เล่า วันก่อนเห็นศาลาหลังใหญ่มากเลยนะโอ้ยสงสารจริงๆสงสารจริงๆรบอกว่าสงสารจริงๆริงบอกสองสารอะไรบอกสองสารคนเช็ดเหมือนกันไอ้คนสร้างนี่ปลิ่มไปแล้วหลายแต่คนเช็ดเนี่ยนะเชื่อเห็บ อ, อยู่บ้านเนี่ยไอ้ศาลาวัดเนี่ยมันเป็นของสาธารณะนี้ถ้าเราไปวัดใหญ่ๆโตๆศาลาอย่างใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะที่นี้เราอยู่กันคนสองคนใช่ไหมกวาดนี่มันก็คือมันใหญ่มากดูแลไม่หวัดไม่ไหวถ้าไปถึงแล้วมันไม่สะอาดใครรับเละโอ้ย แต่คนที่เฝ้าเล ย, เลยรับเลยเนี่ยนะท่านอยู่ทำอะไรทําไม่ไมทาความสะอาดไม่ปัดปาดไม่เช็ดไม่ถูมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็หลังใหญ่ๆตัวๆใหญ่จริงๆนะบางทีเนี่ยศาลาบางแห่งเป็นไร่ๆอ่ะทีตั้งหลายไร่อย่างเงี้ยจะไปกวาดไหวหรืออย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่ใกล้ถนนที่ฝุ่นละอองเต็มไปหมดเลยมันงานเรามันไม่ใช่อาชีพรักษาคว า, ความสะอาดเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าอเออแล้วมาบวชหาสมถะวิปัสสนาหรือมารั บ, ร, บรับจ้างกวาดกุฏิเนี่ยนะ ถามว่ารางวัลคืออะไรเขาก็ให้ฉันให้อยู่ไปวันๆหนึ่งไงอยงนั้นนะเงินดาวเงินเดือนก็ไม่ได้ต่างหาถึงได้เอาไปทําอะไรเอาสมมาทังหลายเนี่ยเอาปัจัยไปทําอะไรเนี่ยนะอะไรบ้างที่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลพันจะต้องกําหนดทิศ ท, ทางของการเข้ามาศึกษาในพระาศาสนาให้ชัดเจนแล้วบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยสแสวงหาครูบาอาจารย์นั้นกลายเป็นว่าสแสวงหาอาจารย์ที่บริบูรณ์ไปด้วยลาภสาการชื่อเสียงแล้ว น, นะ ใครว่าพอโวยใครๆมีลาบเยอะบอกคนนั้นมีบารมีมากเนี่ยนะเขามากลัวจริงๆเลยคนดังเนี่ยนะแต่ที่กลัวนี่กลัวทําอะไรไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยเนี่ยนะก็นั่งรับแขกอ่ะเช้ามืดยันค่ําดึกดื่นึางทีก็ไปตลอนตลอนเนี่ยนะถามว่ามีความสุขตรงไหนบอกไม่แต่บางคนน่ยมาเข้าใจบอกเออแล้วท่านตอนนี้เป็นอยู่อย่างนี้บอกไม่ใช่รเราก็มาไปไปไหว้เจดีย์เนี่ยนะแต่ธุกกิจหลักเลยนะที่ไปตามที่ต่างๆเนี่ยไปไหว้เจดีย์อันนี้คือประเด็นหลัก าการสนทนาพูดคุยธรรมะบ้างนี้เป็นประเด็นรองนะไม่ใช่ถึงกับหลักจริงๆหลักจริงๆก็ไปไหว้บูชาพระรัตนะตรยัยเนี่ยนะว่าใจเราฟุ้งซ่านเมื่อคิดถึงจังหวัดโน่นโอมีเจดีนะไปสรรเสริญพุทธานุสติธรรมานุสติไว้แลว้วเป็นต้นนี่เราไปก็กล่าวเฉพาะธรรมะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามกําหนดว่าสาระของเรื่องทั้งหมดนี่คืออะไรและเราต้องการอะไร น, นะทั้ขนขณะเดียวกันอีกในหนึ่งที่ทําอย่างนี้เหตุผลหนึ่งก็คือบอกว่าเราก็ ปรารถนาจะให้คนอื่นเขามีสารณะนั่นเองวันเขามายินดีที่จะคุยกับคนที่เลื่อมใสในพระธรรมไตรยเลื่อมใสในคําสอนถ้าเขาไม่เป็นไ ป, นปนตามแนวททางของคําสอนเราก็ไม่มีเวลาจะคุยกับเขาบอกเสียดายเวลาชีวิตของเรานีนะบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีหรอกคุณก็ดีแบบคุณนั่นแหละแต่ว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะมานั่งคุยเรื่องไม่เป็นเรื่องเรานี้หรอกเพราะฉะนั้นคุณก็รับผิดชอบชีวิตคุณไปกันแล้วกันเพราะฉะนั้นเขามาก็ไม่เคยคิดว่าสมมติถ้าเดินเคยเคยนั่งรถทางสี่เลนไหม ทางสองเลนไหมสมมติว่ามันมีเลนหนึ่งไปเลนหนึ่งมาอย่างเงี้ยถ้าเราไปเส้นนี้เราต้องไปเที่ยวโบกให้คนนั้นมาเดินตามเราไหมมาเล่นนี้เธอมาเล่นนี้เธอไม่เหนื่อยตายเลยอย่างเงี้ย น, นะนี่ก็เหมือนกันวิถีชีวิตของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันมันใครอยากไปทําตามไหนก็ตามอัธยาศัยก็แล้วกันเนี่ยนะอย่างมากถ้าแม้กระทั่งคนที่มาฟังเราเราก็แนะนําให้เขาถึงพระพุทธเจ้า ไม่เคยพูดว่าให้มานับถือเราอะไรเลยไม่ใช่ให้เขามีพระัตนตรัยเป็นสารณะเราต้องบานบอกเขาแค่นั้นถ้าเขารู้จักพระรัตนตรัยแล้วเอาเขาไม่มาก็ไม่มาสิถ้าเขาเห็นว่าอะไรดีก็ทําไปทำไมเราต้องไปเห็นเราต้องไปป่วยอะไรกับเขาไม่ต้องไปช่วยหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเขาเขไม่ต้องซากอย่างดีไม่ดีเขาช่วยเลี้ยงเราโดยซ้ําไปนะครับอาหารมาถวายนั้นเขาก็มีสิทธิของเขาเขาอยากทําอะไรก็ตามอัธยาศัยของเขาถ้าเขาเห็นว่าอะไรดีก็ทําไป แต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็ไม่เราก็เป็นสิทธิของเราที่เราจะต้องทําไมเราต้องไปร่วมด้วยในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเพราะการมาศึกษาตรงนี้ก็ไม่ใช่แม้อ้อนวอนขอร้องมาร่วมกันศึกษานะเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างไงบอกไม่คนคิดว่าอะไรมีประโยชน์ที่สุดอะไรดีที่สุดทำมา น, นั้นแหละเพราะฉะถ้าทําไปแล้วห้ามเสียใจในตอนหลังเพราะคุณรับผิดชอบคุณเองทุกคนก็รับผิดชอบตัวเองมันพยายามไข่ครควนให้มันให้มันดีที่สุดเนี่ยนะทบทวนให้มันดีที่สุด ในโลกนี้เนี่ยนะข้อปฏิบัติมักมีองค์ดเนี่ยขึ้นต้นด้วยพิจารณาสมาัมมาทิฏฐิแปลว่าพิจารณาก็ได้นนะถือเอาการพิจารณาเป็นข้อปฏิบัติไม่ใช่รวนเรนะเป็นคนรวนเร่ขี่ลังเรแล้วทำเป็นเหมือนฉลาดสุขุมเนี่ยนะไม่ใช่เรา อ, อันนั้นเรรวนรวนเรเนี่ยนะไม่แน่นอนไม่มีความแน่นอนเลย แต่ว่ามันก็ต้องมีความแน่นอนชัดเจนว่าเออเนี่ยทิศทางของการศึกษาและปฏิบัติเนี่ยเจริญอะไรเพื่ออะไรโสตาปฏิยังค่าธรรมของตัวเองเป็นยังไงไปถึงไหนทำไปทำมเป็นต้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนนะแม้กระทั่งว่าที่มาเรามาศึกษาร่วมกันตรงนี้ก็ไม่ได้มาสร้างองค์กรขึ้นมาไม่ใช่นนะไม่ได้มาสร้างองคอ์กรมาสร้างเป็นโอ้ยทีมงานใหญ่ยยโตออกม่ไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นเลย เนี่ยนะเขามาก็อย่างที่ว่าเจ้าของบ้านเขาก็ให้วัตถุทานเขาทำทำวัตถุทานเขามาก็ทําธรรมทานเพราะฉะนั้นก็มาทําบุญเมื่อทําบุญก็คือบุญมันก็เสร็จไปแล้วโยมเคยไปทําบุญทอดผ้าป่าไหมล่ะถ้าทอดผ้าป่าเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วทํำยังไงก็กลับบ้านทางใครก็ทางใครก็ได้ทอดอีกก็ว่ากันไปถ้าไม่ได้ทอดอีกก็เลิกแล้วกันไปเพราะว่าปัญหาว่าเราไปทําบุญเนี่ยนะบุญก็เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันพวกเราทั้งหลายเข้ามาก็มาบริโภคปัจจัย4ี่อ่าด้วยแล้วก็บริโภค ธรรมทานด้วยเพราะฉะนั้นนั่นคื อ, อบทบาทและหน้าที่ของการเข้ามานะสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะก็คือเข้ามารับว่าวัตถุทานแล้วก็ธรรมทานไปเพราะฉะเราก็ได้บุญเราก็ได้แล้วปัจจัยสี่เราก็ได้แล้วทีนี้ถ้ามีกิจกรรมอีกก็ทํากันไป น, นะถ้ามีอะไรที่จะต้องทําร่วมก็ทํากันไปถ้าไม่ได้มีอะไรร่วมใครมีกิจอะไรก็ไปทํากิจตรงนั้นไปมันไม่ใช่ว่าโหที่ตรงนี้มาสร้างเป็นองค์กรแหมจะได้ใหญ่ๆโตโตขยายไปเยอะ เอาถามเม่ิกใครจะมาเป็นผู้จัดการให้เหรอใครจะมาบริหารให้มันทำได้ไม่ล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่สําคัญเนี่ยเราต้องพยายามเล็งเอาสาระและประโยชน์เนี่ยนะแม้กระทั่งประโยชน์ที่เราอยู่ฟังกันทุกวันเนี่ยประโยชน์คืออะไรต้องกําหนดสาระตรงนั้นให้ได้เนี่ยนะกำหนดสาระให้ได้นะต้องกาหนดทิศทางให้ได้ว่าเป้าหมายของพวกเราจริงๆอะ่ะคืออะไรอย่างเมาก็บอกเขามีชัดเจนเป้าหมายชัดเจนว่าบรรยายทุกครั้งเพื่อให้คนเข้าใจในคุณของ พระรัตนตรัยที่เป็นอย่างนี้เนี่ยพ่อเราเนี่ยโตด้วยก้นข้าวข้าวก้นบาตของพระรัตนตรยัยหลายหลายอย่างที่คนอื่นเขาช่วยเพราะเขาเห็นแก่หน้าพระรัตนตรยัยเขาเห็นแก่พระรัตนตรยัยเขาเลยช่วยเราเขาไม่ได้ช่วยในฐานะส่วนบุคคลโดยมากเขาบอกเลยเขาไม่ได้ ว, วาลักษณะส่วนบุคคลอะไรแต่เขาเห็นแก่พระรัตนตรัยเขาก็ทํามากเขามาที่ทําอยู่ก็เพราะเห็นแก่พระรัตนตรัยทุกคนก็จะได้เจริญในพระาศาสนาของ พระศาสดาไปถึงพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ว่าพระองค์ต้องการอะไรพระองค์มีความประสงค์อย่างไรเพรันเราจะช่วยอย่างไรให้ทุกคนได้สำเร็จสมประสงค์ของของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพันที่นี่จึงพูดปรารบในลักษณะว่าไม่ใช่มาเพื่อมาสร้างตัวมาสร้างทีมนะเพื่อจะได้มารวมตัวกันนะบอกไม่ทุกคนปรารถนาจะเจริญอะไรก็เจริญแต่ที่สาคัญอย่าโยนภาระไปให้คนอื่น ไม่ใช่ว่าตัวเองทําอะไรนะแหมโยนภาระไปเกลี่ยสบสู่ประชาชนบอกไม่ใช่เห็นนะพราะมาเองเนี่ยโดยส่วนตัวจริงไม่ได้ต้องการนิยมให้ทุกคนเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนอะไรเลยเอาเป็นว่าคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําอันนั้นก็แล้วกันพันใครเสนออะไรส่วนใหญ่นะบอกถ้าคุณเสนอมาคนคุณเป็นคนทำนะถ้าคุณเสนอได้คุณก็รับผิดชอบได้เห็นนะพันใครที่เสนอตอนหลังก็ไม่ค่อยมีคนกล้ามาคุยด้วยแล้วพราะเจอบอกเอาคุณจะทําอย่างนี้เมื่อไหร่บอกท่านทําอย่างนั้นสิอย่างงี้สิแล้วคุณจะทําอย่างที่ว่านี้เมื่อไหร่ นะคุณเข้าใจคุณเข้าใจวิธีการปฏิบัติคุณสามารถเสนอได้คุณรับผิดชอบแล้วกันโครงการนี้ยกให้ไปเลยโอ้ยสามเจ้าแค่นั้นแหะเงียบเลยไม่มีใครมาเสนออีกว่านะทําอย่างนั้นสิทําอย่างนี้สิบอกอ้าแล้วคุณรู้ว่ามันดียังไงทำนะเพราะบางทีเนี่ยเราต้องพยายามจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราเจริญอยู่เนี่ยคืออะไรทําไปทําไมเราต้องการอะไรต้องจับพยายามจับที่วัตถุประสงค์เอาไปเอามาก็กลายเป็นว่ามันรวนเรมันเรรวน ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนทําไปทําไมแต่ละวันก็เหมือนกับว่ามันอะไรนะมันกุศลไม่เจริญอ่ะถ้ากุศลไม่เจริญนี่มันคืออะไรข้มาพูดตรงๆมาทําใจไม่ได้ถ้าเห็นคนกุศลไม่เจริญมันทําใจไม่ได้มันมีอยู่สองอย่างถ้าเขาไม่จากเราเราต้องจากเขามันอยู่แค่นั้นจริงๆเนี่นะถ้าคุณไม่ไปฉันจะไปเองอะไรอย่างนงี้ยนี่ยนะถามว่าทําไมเพราะเราเองเนี่ยกลัวจริงๆเลยว่ามันกลัวต้องกลับไปสู่เหมือนเดิมเนี่ยนะ มือนเดิมนี่คืออะไรเพราะาเราก็ไม่ได้คิดว่าเรามาจากที่ดีเราก็คิดว่าคงมีตราบาปติดตัวมาไม่ใช่น้อยเหมือนกันทําบาปมาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกัน